ก็ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเทงลายแต่รลมพระพูทธยานกำลังนำเสนอมาถึงช่วงที่พูดเรื่องอิสิปตนมรรคทายวันที่แปลว่าป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อเป็นที่ตกไปของฤาษีก็ในจุดเหล่านี้ตัวละครที่ปรากฏในเรื่องนีโคธชฉด ตอนที่พระเจ้ามาแสดงสรุปว่าใครเป็นใครในสมัยพุทธกาลนั้นมีข้อที่น่าศึกษาสนใจในแง่ของหลักกรรมกับในแง่ของสังสารวัตรเราเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดตามหลักที่พระพุทธศาสนาทรงสแสดงไว้นั้นเป็นกระบวนการเกิดดับที่ทยอยกันเป็นคลื่น ทำนองคล้ายๆกับคลื่นในมหาสมุทรคลื่นที่เกิดต่อกันมานั้นเป็นความต่อเนื่องไม่ใช่คลื่นรูปเดียวกันเพียงแต่ว่าเป็นปัจจัยของกันและกันทำนองคล้ายๆกับเราปลูกพืชแล้วก็เอาขนของพืชนั้นไปปลูกในที่อื่นมันก็ไม่ถึงกระต้นเดียวกัน แต่ว่าพืชที่ปลูกใหม่นั้นได้นำคุณสมบัติของพืชต้นเก่าไปด้วยเช่นมะม่วงที่หวานเมาเอามาเมล็ดไปปลูกก็กลายเป็นมะม่วงหวานแต่ก็ไม่ใช่มะม่วงหวานต้นนั้นในขนาดเดียวกันก็ไม่แยกอย่างเด็ดขาดจากมะม่วงต้นก่อนแต่การเรียนว่ายตายเกิดของคนเนี่ยที่มาผ่านภพชาติ เราจะเห็นในลักษณะนิสยัยเื่นเพของคนของสัตว์ในความโน้มเอียงเวลาไปเชิญปัญหาต่างๆที่ทรงสรุปว่าประยาเนื้อนิโครธก็คือพระองค์ในปัจจุบันคือในสมัยพุทธกาลพึ่งเห็นว่าคนระดับพระโพธิสัตว์แม้ไปเกิดเป็นสัตว์ติระฉาน ก็จะมากด้วยกรุณาที่คนอื่นไปเที่ยมทันไม่ได้่า ง, างทั้งที่ม่เนื้อตัวนั้นก็ไม่ใช่เป็นบริวารของตัวเองแต่ว่าเป็นบริวารของปรญญาเนื้อสาขาัความการุณาที่แผ่ออกไปนั้นไม่ได้จำกัดกลุ่มสัตว์หรือกลุ่มคนเป็นกรุณาประเภทที่เรียกว่า อปมัญญาคือไม่มีประมาณโดยพื้นฐานการบำเป็นบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์นั้นมีความมุ่งหมายไว้สูงว่าเราหลุดพ้นแล้วจะช่วยบุคคลอื่นหลุดพ้นด้วยเราสัสรุแล้วจะช่วยคนอื่นจะสรุด้วยสังสารวัตนั้นมีทุกข์มากด้วยกัน ก่อนจากมโนปนิทานที่เป็นพื้นฐานอยู่ภายในพระไตรแม้ว่าชาติภพจะมีความเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าอธิยาศัยที่มากโดยกรุณานั้นก็ยังแสดงออกให้เห็นก็เป็นการกรุณาในลักษณะที่พร้อมจะสละชีวิตเพื่อพิทักษ์ชีวิตของบุคคลอื่นคือถ้าเราเทียบเคียงในด้านของบารมีก็คือฐานะปรมาสตรบารมี เป็นการสละชีวิตเป็นทานหรือว่าเป็นทานที่กระทำบำเพ็ญได้ยากมากแต่ถ้าเราดูในประชาติอื่นๆคุณสมบัติเหล่านี้ก็คงมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญญาเรื่องความบริสุทธิ์เรื่องความเมตตากรุณาก็เรียกว่าเป็นขันธสันดานของคนระดับประโพธิสัต์ แล็ก็แน่นอนมีความยิ่งหย่อนแตกต่างกันม้นขณะเดียวกันการใช้ปัญญาที่อธิบายชี้แจงให้เหตุผลแก่พระราชาก็แสดงถึงภูมิปัญญาที่มีหลักการในการอธิบายการชี้แจงการให้เหตุผลแล้วก็มีการต่อรองลงไปโดยลำดำับ ในขณะเด็การก็ฟอกัตยาใสของพระเจ้าพรหมทัตให้มีความประนีตขึ้นไปด้วยก็ทำให้จบลงด้วยความสวัสดีของสัพสัตที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นแล้วก็สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันทีนี้ถ้าเรามองความเชื่อมโยงระหว่างพะเยเนื้อนิคโครกับพระเจ้าพรหมทัต เกิในชาติพุทธ ก, กาลนั้นพระเจ้าปรมทัตก็มากลายเป็นพระอนุลซึ่งแสดงว่าสังสารวัตรอันยาวนานนั้นพระโพธิสัตว์กับพระอนนุ์จนมาเป็นเจ้าชายจิทถากับพระอนุลเนี่ยมันมีความผูกพันกันแล้วก็เรียกว่าสร้างบารมีส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันเวลาเกิดในพบชาติใดก็ตาม พูดกันง่ายเข้าใจกันง่ายแล้วพร้อมที่รับวังเหตุผลไม่อีกฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะใ น, นเมื่อพระโพธิสัตว์จะอยู่ในชาติกำเนิดอะไรก็ตามเวลาไปพูดด้วยไปอธิบายเหตุผลให้ฟังก็จะพบว่าจะพูดกันเข้าใจง่าย ที น, นี้ในจุดต่างตรงนี้ว่าทำไมพระอ น, นุ์ในชาติปัจจุบันในในสมัยพุทธกาลเนจึงเป็นถึงพระราชาแต่ว่าพระโพธิสัตว์อยู่ในกำเนิดของเนื้อนี่ก็แสดงให้เห็นถึงกระบวนการของกับว่ากามที่หนุนเนื่องกันมาภายในจิตใจของคนนั้นก่อนจะดับจิตเนี่ยไม่รู้ว่าดับจิตอะไร นบนภพชาติจึงมีความสลับซับซ้อนพอรมีกรรมที่ติดตามเรามากรรมที่เป็นอดีตการนานไกลอยู่ในฐานะที่เรียกว่าอัปปะประเวทนียกรรมกรรมในอดีตชาติอยู่ในฐานะของอุปภิษะเวทนียกรรมแล้วกรรมในชาติปัจจุบันที่อยู่ในฐานะเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมเนี่ยมันก็พร้อมจะทำหน้าที่เป็นชนกกรรม คือนำคนไปเกิดตามแรงผลักด้านของกรรมเหล่านั้นแล้วก็แสดงเห็นว่าคนที่มีบา ร, รมีสูงก็อาจจะเกิดในพพชาติที่ต่ำในบางจังหวะ ก, ก็ได้เมื่ออาศนักกรรมมันเกิดไม่ดีขึ้นมาหรือคนที่มีวัสนาบรบารมีต่ำแต่จังหวะหนึ่งมันเกิดจิตใจผ่องแผ้วขึ้นก็ไปเกิดในดีกในที่ดีก็ได้นี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็น แต่ว่า น, นิสัยที่อ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยมีเมตตากตรุณาซึ่งเป็นคุณสมบัติของพระอนุน์แม่ในสมัยพุทธกาลมันก็แสดงให้เห็นในสมัยที่เป็นพระเจ้าพุทธมทอย่เช่นเดียวกันแต่การเข้าป่าล่าสัตว์นั้นเป็นก็ เ, เรียกเป็นประเพณีที่นำสืบกันมา แต่ถ้าเราลองสังเกตว่ายอมรับฟังเหตุผลมาโดยลาดับตั้งแต่รัศดรต้นเนื้อมาให้อยู่ในบริเวณแห่งหนึ่งแล้วเพื่อให้พระองค์ไปยิงแล้วจนเนื้อผลัดเวรเข้ามายืนให้ยิงจนมีการต่อรองการระหว่างพญาเนื้อนิโครดกับพระเจ้าพรมทัตแล้วก็แสดงถึงพื้นฐานที่มีเหตุผลในอัธยาศัย ก็เรียกว่าสาวกบา ร, รมิยาน่คือบำเพ็ญสาวกบา ร, รมิยานมาคนหนึ่งก็บำเพ็ญสัมโพธิญาณมาพวกก็พูด ก, กันง่ายนะฮะพูด ก, กันง่ายก็สื่อสารกันง่ายแต่พอเรากลับไปมองที่พยาเนื่องสาขะซึ่งก็มีบริมาบริบาลฝ่ายขวายละห้าร้อยเหมือนกันที่ในการต่อมาก็มาเกิดเป็นเทวทัต คือในชาดกของเรานั้นที่เราอ่านกันมากเนี่ยส่วนมากมันเป็นพระเจ้าสิบชาติเรียกว่าต้ชาติเนี่ยก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดร่วมกันทุกชาติแต่แท้จริงแล้วถ้าเราไปดูให้ตลอดเนี่ยมันมีไม่มากขนาดนั้นนะมีประมาณห้าสิบเก้าชาติในห้าร้อยห้าสิบชาติที่นำมาแสดงประกอบ ในการสอนธรรมะแก่พุทธศาสนิกชนแต่ชาตินี้ก็เรว่ามีฐานะสับสีทัดเทียมกันคือก็เป็นพญ า, า, าเนื้อเป็นเจ้าผูงุงของพญาเนื้อด้วยกันแต่วัตถยาศัยค่อนข้างคับแคบเป็นผู้ปกครองเป็นผู้บริหารที่ขาดน้ำใจขาดความเสียสละขาดวิจารณญาณ เวลาเจอสถานการณ์ขับขันขึ้นมาเนี่ยเอาตัวรอดซึ่งเสียคุณลักษณะของความเป็นผู้นำเพราะผู้นำจริงๆนั้นจะต้องเอาคนอื่นให้รอดคือช่วยบริษัทให้รอดช่วยองค์กรให้รอดตลอดถึงช่วยประเทศชาติให้รอดผู้นำแบบพยาเนื้อสาขาก็ค่อนข้างจะเป็นอันตราย ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นอะไรก็ตามนะฮะพยาเนื้อที่เห็นแก่ตัวเอก็ไม่ใช่คือผู้นำที่เห็นแก่ตัวเองเพราะผู้นาเนี่ยเขาเรียกผู้นำหมู่คณะมันต้องเห็นแก่หมู่คณะเห็นแก่องค์กรเห็นแก่สถาบันเห็นแก่ชาติบ้านเมืองก็เป็นแบบให้เราดูว่าพื้นฐานอัธยาศัยในลักษณะนี้มันก็ติดอยู่ในจิตสัรดานของพระเทวทัต สืบเนื่องกันมาจนถึงในชาติที่ท่านเป็นพระเทวทัตท่านก็มีลักษณะอย่างนั้นจะเห็นแก่ตัวมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตัวถึงคราวคับขันอะไรเข้ามันก็คิดแต่จะเอาตัวเองรอดคนอื่นก็จะเป็นยังไงก็ช่างตอนเวลาแม่เนื้อเวลาลูกเนื้อเขาโตขึ้นเนี่ยนะแม่เนื้อก็สอน ว่าการมีชีวิตอยู่ในสำนักของพญาน้อสาขาก็สู้ตายในสำนักของพญาน้อนิโคตรไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าในบรรยากาศของผู้นำที่เห็นแก่ตัวมีความคิดรุนแรงมุ่งแต่จะได้ถ่ายเดียวเนี่ยคนอยู่ร่วมจะหาความสงบสุขได้ยากถึงอยู่ก็เหมือนกับตาย มีความม่ตกกังวลมีความหวาดระแวงในสถานการณ์ปกติก็คงจะอยู่กันได้แต่พอเกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้นเนี่ยท่านเหล่านี้ก็จะเอาตัวรอดบริษัทปริวารก็จะเป็นยังไงก็ไม่สำนึกรับผิดชอบไะไรแต่ว่าผู้บริหารหรือผู้ปกครองหมู่คณะอย่างพญาเนื้อนโครดเนี่ยมันก็เป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนของผู้นาหมู่คณะ ว่าจะต้องมีเมตตากรุณาต่อผู้เยาทั้งหลายแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องพร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะทนพร้อมที่จะประณีประนอมเพราะว่าผู้น้อยนั้นจะให้คิดให้ทําอย่างผู้ใหญ่ไม่ได้หรอกเพราะถ้าหากแกคิดได้ทําได้พูดได้อย่างผู้ใหญ่แกก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เป็นผู้น้อยหรอก หลการงองในแนวเนี้ยจึงถ้าเราเห็นความแตกต่างระหว่างผู้นำแม้จะเป็นผู้นำสัตว์ที่จริงมันก็เหมือนกันนะผู้นำสัตว์ผู้นำคนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงอุ ป, ปมาว่าเมื่อโคว่ายน้ําข้ามฟากไปอยู่เนี่ยประเด็นสําคัญอยู่ที่โคจ่ากุงนี่ว่า้โคดหรือว่ายจงอ่ะถ้าโคจ่ากุ้งไหายโคดโคลูกฝูงก็ว่ายโคตรตามไป คุเจาขุ้งไว้ทรงคุณลุกขุ้งก็ไหวตรงตามไปเพราะในหมู่มนุษย์เราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคนใดได้รับการสมมติแต่งตั้งมอบหมายให้เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำหมู่คณะถ้าบุคคลเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติธรรมมีความวิธิธรรมมีความเที่ยงธรรมมีความเป็นธรรมคนอื่นก็จะถือตามปฏิบัติตามไปด้วยแต่ถ้าท่านไม่ตั้งอยู่ในธรรม ไม่ยุติธรรมไม่เที่ยงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมคนอื่นก็จะตามไปด้วยแต่ความสงบสุขที่มุ่งมา่ปรารถนาก็เกิดขึ้นไม่ได้ทีนี้ในแง่ของความเป็นนังสารวัตรที่มาสรุปชา ด, ดกว่าแม่เนื้อในการต่อมาเนี่ยเกิดเป็นกุลธิดาในเมืองสาวัตถี มีความน้มเอียงไปในทางที่จะบวชเป็นภิกษุณีก็พยายามอ้อนวอนขอร้องพ่อแม่เนี่ยขอบวชพ่อแม่ก็ไม่ยอมอนุญาตแล้วก็บังคับให้แต่งงานเราแต่งงานในการต่อมาก็ตั้งคันนอนอ่อนพยายามปฏิบัติตัวเป็นพันยาที่ดีของสามีแล้วเสร็จแล้วเขาขออนุญาตบวช สามีก็ยินยอมเข้าใจเห็นใจแล้วในสูดก็นําไปบวชในสำนักภิกษุณีซึ่งก็ถือว่าแปลกนะไปเป็นบริวารของพระเทวทัตอีกซึ่งในชาติก่อนก็เป็นบริวารของพระเทวทัตที่เป็นไตรเนศสัะตอนที่ท่านบวชเป็นภิกษุณีก็เกิดเป็นบริวารของพระเทวทัตกับอีกแล้ว ในการประมาณท่านก็คันที่มันอ่อนๆอมันโตขึ้นตามธรรมชาติคนก็เห็นว่ามีคันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็ในที่สุดพระเทวทัต ก, ก็ตัดสินให้สุดท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้บวชุธิดพระเทวทัตแตนบวชุธิดพระพุทธเจ้า คนคนจะให้ศึกน้องเบญปุตธเจ้าไม่ใช่ประเทประทันทีนี้ปัญหาสำคัญเนี่ยว่าพระเจ้าประเสริฐนี่กุศลก็ดีนาทบินิีกเศด็ีก็ดีนะฮะนางสุ ป, ปวาสานางวิสาขาดซึ่งต่อมาได้เป็นกรรมการพิจารณาสอบสวนเรื่องเหล่านี้โดยมีพระบาลีเป็นประธานเนี่ยคือท่านเ่านั้นเองเป็น แตเว้นไปแต่พระเจ้าปเสนที่กดสก็เป็นประยะสาวกท่านก็รู้นะฮะว่าต้าพิษุณีนั้นมีความบกพร่องเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ต้องรับสั่งอะไรแต่ว่าทําไมพระพุทธเจ้ารับสั่งตั้งกรรมการให้ตรวจสอบไอ้นี้เราได้แบบอย่างอีกอย่างหนึ่งให้ลองสังเกตว่าก่อนหน้า น, นี้มีข่าวคราวที่เรียกว่าชาวบ้านเนี่ยฟ้องพระไม่ได้หรือว่าชาวบ้านจะพระไปตัดสินคดีของพระเนี่ยไม่ได้ ที่จริงตัดถิ่นได้นะพอพูดถึงพระธรรมวินัยแล้วเนี่ยศาสนาพุทธไม่ใช่เป็นของพระศาสนาพุทธเป็นของพุทธบริษัทแล้วคณะบุคคลที่ประกอบขึ้นเป็นพุทธบริษัทเนี่ยจะต้องสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือชาวบ้านเนี่ยตรวจสอบพระได้พระอาจจะไม่ถึงกับตรวจสอบอะไรยอดโดมเท่าไรหรอก คนมันเยอะแต่หลักการตรงนี้ทำให้พระพุทธเจ้าทรงตั้งพระบาลีเป็นประธานแล้วพระเจ้าประเสนกสศลกับอนานาันทบิในิการเศรษฐีก็เป็นผู้ชายนะฮะก็อยู่กันนอกงวิสาขากระนางสุ ป, ปวารสาก็ไปสวดคันพิสุนีับ่อนเดือนปีก็เห็นว่าเธอท้องมาก่อนบวชตั้งสองเดือนก็ตัดสินให้บริสุทธิ์ พระเจ้าก็ทรงอนุโมทนานี่คือเป็นวิธีการในกรณีที่เรียกว่าเรื่องราวมันจะกําเริบมันเป็นข่าวเดี๋ยวถ้าวิธีการจัดการเนี่ยไม่เรียบร้อยหมายความมาคุมเครือปล่อยให้เป็นขึ้นกระทบฝังอย่างในเรื่องคณะสงฆ์มีการกล่าวหาเยอะนะฮะเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เป็นขึ้นกระทบฝังมันก็มีความเพื่อแรลงสงสัยเอ้ยจริงไม่จริงจริงไม่จริง แล้ในสุดวิกฤตศรัทธาเนี่ยมันจะเกิดต่อองค์กรองค์กรที่ชอบกลนะปกปิด ช, ช่วยกันพักพวกตัวเองช่วยกันแล้วในสุดมันจะเกิดวิกฤตศรัทธาขึ้นมาต่อองค์กรเพราะไม่มั่นใจว่าบุคคลที่อยู่ในองค์กรเนี่ยมีความบริสุทธิ์เหมาะสมแก่สถานะที่ตนเป็นหรือไม่ร้านแบบพระพุทธเจ้าทรงวางให้เป็นตัวอย่าง ว่ามีปัญหาในลักษณะนี้นั้นจะไปตัดสินตามลําพังไม่ได้ต้องให้คนอื่นเป็นคนรับรู้ด้วยแต่เวลาเราพูดเนี่ยเราไม่ได้มองหลักในพระบา ล, ลีคือพุทธวิธีทั้งหลายเนี่ยเป็นความถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดโดยทิ้งพุทธวิธีไม่ได้วิธีที่ประหารท่านทำพระพุทธเจ้าทําเนี่ยถือว่านั่นคือตัวธรรมะแหละธรรมะที่ผ่านการปฏิบัติมาแล้วหลักการวิธีการทั้งหลายมีความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว แต่ทีนี้สมมุติว่าจะมีกฎคณะสงฆ์มีอะไรระเบียบมหาเทสมาคมกฎคําสั่งมหาเทมาคมอะไรก็ตามนะแม้แต่พระราชบัญญัติที่มันขัดแย้งกันหลักที่พระพุทธเจ้าสรงปฏิบัตินี่มันถือว่าเป็นหมู่ฆ่คือพุาสนา ม, มีธรรมวินัยเป็นศาสดาไม่ใช่มีกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นศาสดาไม่ได้มีคําสั่งกฎมหาเทมาคมเป็นศาสดาไม่ได้มีคําสั่งไม่ได้มีระเบียบอะไรเป็นศาสดา นั่นก็บังคับเราในฐานะที่เราเป็นชาวบ้านนะฮะไม่ใช่ในฐานะที่เราเป็นพระมาความาถ้าเราไม่เป็นราษฎรไทยเขาก็บังคับเราไม่ได้เราบวชเป็นพระแหละแต่แต่ว่าเราไปอยู่ประเทศอื่นเนี่ยก็บังคับเราไม่ได้โอนสัญชาติเป็นสารัฐน์เนี่ยกฎหมายเราเนี่มันก็บังคับเราไม่ได้แต่พระธรรมีนายนะบังคับได้ทั่วโลกตราบเท่าที่เรายังเป็นพระอยู่ตัวนี้เลยกลายเป็นจาริกาเป็นแบบที่น่าศึกษา ทีนี้พอในแง่ขคนทั้งสารวัตรเนี่ยเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าคนที่คืออุปธรรมค้ำจุนกันมาพิสูจนีรูปนี้พระพุทธเจ้าอุปธรรมค้ำจุนมาตั้งแต่สมัยเป็นแม่เนื้อมาแล้วตกุมารากัดสปะเองก็รอดสมัยเป็นลูกเนื้ออยู่ในคันก็รอดพ้นมาพระพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าไปยังตามอุปธรรมอีกตระเทวทัศก็เหมือนกันยู่อตัวรอดอีก นิสายแบบเดิมเอาตัวรอดอีกเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาก็ผลักปัญหาแสดงให้เห็นด้งความไม่รับผิดชอบเพราะในกฎของสังสารวัตรก็ดีนะที่เราพูดถึงว่าคนที่ทำบุญร่วมกันมาในปางก่อนเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความเคารพนับถือศรัทธารักใคร่ปุพันก็ตามแต่ว่าในชาติก่อนเราเกี่ยวข้องกันในฐานะอะไร อย่างพิษุนีเนี่ยมันก็ฝังอยู่ในจิตสันดาลในขรรค์นับถือพระโพธิสัตว์เมื่อพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์มาเป็นพระพุทธเจ้าไอความรู้สึกเคารค์นับถือตรงนั้นมันก็มีอยู่อพอได้เห็นได้ยินพระเกติคุณของพระพุทธเจ้าเธอก็อยากจะบวชอยากจะอยู่ในสํานักของพระพุทธเจ้าตามพื้นฐานเดิมสมัยที่เป็นแม่เนื้อเนี่ยที่บอกว่าการตายในสํานักของพญานื่มดีโครเนี่ย ดีกว่าการมีชีวิตอยู่ในสำนักของพยานเนื้อสาคัดแล้วการก็มาเป็นเช่นนั้นตอนเรื่องกรรมก็ดีเรื่องสังสารวัฏก็ดีเรื่องพื้นฐานที่เราเรียกว่าลักษณะนิสัยอัตยาัยของคนก็ดีเนี่ยมันมีเรื่องเป็นอันมากที่มันเป็นอนดีต ที่ติดตามบุคคลไปอย่างที่อุปมาว่าเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลนั่นไปฉะนั้นเพื่อนฟังทั้งหลายแต่หมประพธุธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่ น, นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบุญในธรรมยงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี